าะในปีหน้าผมคิดว่าเวลาจะอยู่เมืองไทยมากขึ้นไปเฉพาะไปยุโรปอเมริกาเฉพาะในช่วงพฤษภามิถุนานะปีหน้านี่มีโปรแกรมจะไปทางผูฐานทางสิขิมทางนี้เขาไปนี่มาทำเวิร์กช็อปกันที่เชียงใหม่นะครับเรื่องของการทำความสุขมวลรวมประชาชาติ ในเมืองไทยเขาทําสําเร็จที่ปูฐานก็ามาทําที่เมืองไทยปีหน้าภารกิจก็อยู่อยา่แถวเอเชียเนะี่ยแถวจีนปูฐานอินเดียลาวขาเขมินเวียดนามผมก็อยากให้พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอย่างจริงจังผมวิ่งช่วยงานทั่วโลกอยู่คนเดียวมันก็เลยทําให้งานหนักถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้ช่วยงานกันอย่างน้อยก็ไปช่วยงานในแถวเมืองไทยเนี่ยให้ฝึกงานก่อน ทาไม่ได้ฝึกงานไปทำงานมันไม่เข้ากันก็ได้ประโยชน์น้อยทุกอย่างเราฝึกนะครับเราก็จะได้ใช้ประโยชน์กับชีวิตเนี้ยไม่ใช่หลบหาความสุขของตัวเองคนเดียวแล้วก็ป่วยไปตายไปมันได้ใช้ประโยชน์มันน้อยร่างกายเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราฝึกได้ดีแล้วก็ฝึกงานฝึกการทำงานฝึกการจัดฝึกการพูดฝึกการเขียนภาษาอังกฤษผมไม่รู้เรื่องเลยเมื่อก่อนเอะ พอหลังจากผมเข้าใจแล้วผมไปฝึกอยู่หกเดือนแค่นั้นเองเป็นหมดครับคือเราได้เข้าใจสภาวะแล้วในเรื่องภายนอกเปนเรื่องง่ายมากที่จะฝึกนะเว้นแต่ใจเรายังไม่ถึงใจเรายังไม่ฝึกก็จะยากอยู่นะนั่นฝึกไปเรื่อยๆคอมพิวเตอร์เดี๋ผมก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าฝึกไปฝึกมามันก็เป็นเองถ้าเราฝึกใจของเราได้ไม่มีอะไรภายนอกที่ฝึกไม่ได้นะถ้าเราจะฝึก ผมยังคิดเรียนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสอยู่เลยตอนนี้แต่ไม่อยากไปแล้วนั่งเครื่องไกลแล้วมันเหนื่อยน ะ, ะนนก็อยากจะให้พวกเราได้ฝึกตนเองให้ได้ก่อนฝึกไม่ทุกได้อย่างไรฝึกจัดการการาคะโดยเฉพาะคนหนุ่มราคะมันแรงเพราะเปสัญชตาตญาณของสัมพษษัสสัทั้งหลายที่ต้องสืบพันธุ์ที่จะลดราคาได้คือกินก น, น้อยนอนน้อยปฏิบัติมาก นีลดได้แน่นอนถ้ากินมากปฏิบัติน้อยแล้วก็คิดมากนะการมวิตกมากก็เครื่องแรงเหมือนเดิมนะกินมากนอนมากปฏิบัติน้อยนี่เจอทุกไลย์จะกินมากกกินน้อยนอนน้อ ย, อยปฏิบัติมากนี่ลดได้ไวนะฮะร้ตัวราคะนี่มันทำให้เกิดโทสะไดมูหะ า ม, มาถ้าจัดการราคาได้อย่างเดียวทูสาและโมหะมันก็อ่อนไปเองนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญชตาตญาณที่เราทำให้เราสงสัยนะครับถามว่าถ้าเราหมดกิเลสแล้วเรามีราคาอีกไหมร่างกายมันก็มีแต่ใจมันไม่มีเพราะร่างกายเมื่อเรากินเราดื่มเราอะไรปกติร่างกายก็ทำหน้าที่ของมันเหมือนเรายกของเนี่ย มันมีกําลังยกกินข้าวมันก็มีกําลังกายร่างกายก็ทําหน้าที่ของมันเป็นเรื่องของร่างกายแปรปวนเปลี่ยนแปลงแตกดับไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราแยกไม่ออกระหว่างเวทนากายกับเวทนาจิตพอเวทนาเกิดกําลังทางเพศจิตก็วันไหวละนะจิตก็วิตกแต่ถ้าหากว่าเราแยกตรงนี้ออกร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายใจไม่เอาด้วย จิตก็เปเรื่องของจิตกายมาเอาด้วยนี่เลยเแยกเวทนาจะแต่เราแยกเวทนาไม่เป็นนะครับราคะโทสะโมหะก็ยังรุกรานเราได้อยู่เมื่อแต่เราแยกเวทนาเป็นราคะโทสะโมหะมันก็ทํางานไม่ได้เพราะใจไม่รับจากกายเพราะถูกสติสัมวิญาตามรู้เสก่อนเหมือนสมัยนี้ที่เขาทิ้งระเบิดอะไร ทิ้งระเบิดระหว่างประเทศเนี่ยสมมติว่าทางอิลักจะ ย, ยิงระเบิดขีปนาวุธใส่อเมริกาเพราะอเมริกามันก็รู้ทนันก็ทำระเบิดอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าระเบิดอะไรสกัดสกัดให้แตกกลางอากาศอ่ะนะเพราะว่าระเบิดแล้วก็นิวเคลียร์พวกนี้มัน มันสแตนบายเอาไว้แล้วว่าเออถ้าหากกระเบิดมาจากทางข้างไหนนะไอ้ตัวเนี้ยต้องขึ้นไประเบิดตัวที่วิ่งมายังไม่ถึงประเทศเขาเนี่ยระเบิดกลางอากาศเหมือนกันถ้าอารมณ์ที่มันส่งจากกายไปสู่จิตถ้าสติสัมยาปัญญาเราแรงพอสถิมย่ามันก็ไประเบิดตัวความรู้สึกนั้นกลางอากาศมันเข้ากระทบจิตไม่ได้เพราะตัวปัญญาญาณวิปัสสนาญาณมันไวกว่าความรู้สึกทางกายเนะี่ยมันช้ามากนะ ควรู้สึกทําความคิดตัวช้ามากแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันไวกว่าทั้งกายทั้งจิตเรียกว่าตัวยานหรือวิปาาัสนาญาณต้องฝึกตลอดเวลานะไม่ใช่ว่ฝึกนั่งฝึกนั่นนะโฮบี้ผมยังเสียดายเดี๋ยผู้ที่ปฏิบัติเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บตลอดเวลาผู้ปฏิบัติเข้าใจแล้วสามารถเก็บตัวรู้สึกเนี่ยในทุกอย่างก้าวเลยนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรจับความรู้สึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นชีวิตอะ แต่ถ้าหากว่าศรัทธาและความเพียรของเรายังไม่แข็งแรงเนี่ยไอตัวที่เราจะไปรักจับความรู้สึกในทุกย่างก้าวทุกการกระทาเนี่ยมันยากเพราะว่าศรัทธาและความเพียรเรายังไม่พอเพราะฉะนั้นศรัทธาความเพียรนี้ไม่ใช่ไปทำในในตอนปฏิบัติเท่านั้นทุกกิจกรรมแม้กระทั่งกินข้าวอาบน้ำเดินไปนู่นมานี่จับดัานฉวยนี่มันตั้งใจที่จะรู้เพราะว่ามันคือมันคือ รับนะครับที่เราเก็บเล็กประสมน้อยไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าคนจีนมาทีหลังทําไมถึงรวยกว่าคนไทยเพราะมันเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยเก็บเรื่อสตังค์สองสตังค์จากกระท่อมมาอยู่ตึกแต่คนไทยของเราเก็บทีได้เยอะลงทุนทีเป็นล้านพอขาดทุนก็หมดเลยล้มละลายมันต่างกันเพราะนั้นเราจะไปหวางเอาก้อนใหญ่ๆตอนมาเข้าค่ายตอนมาเก็บอารมมันมันลงทุนเยอะแต่ใช้ไม่เป็นเดีวยวก็หมด แต่คนที่ทําเป็นก็คื อ, อการเข้าค่ายก็ดีการเก็บอารมณ์คือเป็นการหาทุนแต่เวลาไปใช้อิริบต ท, ทั่วไปเป็นการค้านะครับคือเก็บเล็กผสมน้อยจากอิริบทต่างๆภัพตาอาปากหายใจเหลวซ้ายแรขหัวจะยกจะเหยียบจะย่างอะไรเก็บหมดให้มากที่สุดอ่ะมันมีตกบ้างก็ไม่เป็นไรนะยังมีอยู่อีก ผุ้น่าจะพลังอย่างอื่นยังมีอยู่อีกที่เราสวดอ่ะมันตกบนผาครั้ น, นี้เอาผ้าก้าวนี้ก้าวหน้าก็ยังไม่ให้เก็บอยู่ผ้าเคลื่อนไว้จุดนี้เคล่อนไหวจุดต่อไปก็ยังไม่ให้เก็บอยู่แล้วแต่เราขยันเก็บคือหมายควาเก็บจับความรู้สึกแต่ละขณะเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเราจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองภาพตาก็มีตลอดเวลาอาปากก็มีตลอดเวลาหายใจก็มีตลอดเวลา เดวซ้ายไหลขวาหยิบยับจับช่วยคุ้มเงยมีตลอดเวลาที่เราจะเอาหรือไม่เอานี่เป็นความขยันของแต่ละคนนะครับสำหรับคนที่จะจับเรื่องนี้ได้ที่สุดคือคนที่เข้าใจปรมัดแล้วแต่ในะระดับรูปนามนี่สัญชตาตญาณมันยังแรงอยู่จับไม่ค่อยทันแต่ถ้าคนนั้นเริ่มเข้าใจเรื่องปรมัดแล้วเนี่ยสัญชตาตญาณก็จะอ่อนตัว นะตูรู้ก็จะเข้มแข็งนะเพราะว่ากับใดที่อารมณ์ประมาตยังไม่เข้มแข็งสสญชัดายานก็ยังทำงานได้อยู่ดังนะนั้นในวิธีการโคเทียนเราจึงปรารถนาที่จะสัมผัสปรมาตนะเป็นระดับแรกก่อนเนะมื่อสัมผัสปรมาตได้นี่เรื่องของการเก็บเล็กเก็บน้อยในอินิบทางต่างเนี่ย มันก็จะไม่ยากนะดังนั้นก็ลองศึกษาเรื่องของประมาภิโดยเฉพาะข้อไข่เนี่ยผมอยากจะให้สัมผัสอารมณ์ปรมาภิทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาเพียงแต่รูปนามรูปนามเป็นเรื่องง่ายๆนะครับถ้าหากคนไหนยังไม่ได้รูปนามก็ถือว่ายังไม่จริงจังยังไม่ตั้งใจ <c oughs> ยังไม่มีศรัทธาอย่างจริงจังยังไม่มีความเพียรอย่างจริงจังนะครับ เพราะนั้นเราเข้าค่ายเที่ยวนี้ผมถึงช่างเชื่อว่าปรมัตถภาวนาให้ภาวนาให้มันได้ปรมัติเลยทีเดียวคือหมายความว่าในแต่ละขณะให้รู้สึกตัวเจ็ดสิบเปอร์เซนตขึ้นไปไม่รู้สึกตัวสักสาสิเอร์ซนก็ถือว่าเป็นปรมามัติได้แล้วแต่ยังห้าสิบห้าสิบยังยังยังไม่เป็นปรมัติยังเสี่ยงอยู่รู้สึกตัวห้าสิบหมายความว่าเราความรู้สึกตัวต้อง ต้องชัดกว่าความไม่รู้สึกตัวมันก็มีเปอร์เซนผสมกันนะความรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมันก็เหมือนฝ่ามือหน้ามือกับหลังมือนั่นแหละเมื่อไหร่เอาหน้ามือออกหลังมือก็พลิกกลับเมื่อไหร่เอาหลังมือออกหน้ามือก็พลิกกลับเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกกับตัวไม่รู้สึกก็อยู่ด้วยกันเหมือนมือเดียวกันแต่ว่ามันอยู่คนละภากแล้วแต่เราจะหันข้างไหนออกเหมือนเงากับแสงนะครับความรู้สึกตัวเหมือนแสงความไม่รู้สึกตัวเหมือนเงาก็อยู่ด้วยกัน ทีนี้เราจะหันหน้าข้างแสงออกหรือหันหน้าเงาออกอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องสังเกตนะครับคุณจิงคุจิน่าจะใช้รถเก่งนั่นมันจะได้เบาหน่อยรถคันนี้มาใช้เก่งของไอจอดอยู่นั่นันเองในเรื่องของการปฏิบัติคอดนี้ให้ศึกษาเรื่องประมัิให้ดี คือจับความรู้สึกในแต่ริบท์ได้มากที่สุดนั่นแหละคือได้สัมผัสปรมัตแลถ้าสมมติว่าเราเดินสิบก้าวเนี่ยรู้สึกตัวถึงเจ็ดก้าวไม่รู้สึกตัว 3, แค่สามก้าวเราเลื่อนแขนไปหยับยิบจับอะไรสักสิบื่อนไหวเนี่ยเรารู้แค่เจ็ดสิบไม่รู้แ่สามสิบเนี่ยถือว่าเป็นปรมัตได้แล้วหายใจสิบครั้งมารู้แค่เจ็ดครั้งไม่ท้าแค่สามครั้ง <c oughs> เป็นปรมัตได้แล้ว นะเพราะฉะนั้นรู้ที่แต่ห้าสิบห้าสิบนี่ผมก็ยังว่ามันยังพลาดอยู่เอาเจ็ดสิบสามสิบันมันโอกาสพลาดมันน้อยเพื่อเหลือเพื่อขาดนะพยายามตามไปแต่ว่าประการสำคัญคืออย่างที่ว่าตามรู้ให้สบายถ้าตามรู้อย่างเกตกลึงเคร่งเครียดตึงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไม่ไม่ถูกสัมปชัญญะสัมปชัญญะต้องทำให้ รู้สึกตัวชัดแต่โปล่งเบาสบายไม่เต็งไม่กลึงไม่เครียดไม่คร่งไม่บีบบังคับแต่รู้สึกชัดคำว่าชัดกับเพ่งไม่ต่างกันชัดหมายถึงมันสว่างสวยเพ่งหมายถึงมันจ้องคำว่าชัดหมายถึงสปอร์ตไลท์ที่ไม่มีโฟกัสคำว่าคำว่าชัดแต่คำว่าเพ่งเหมือนไฟฉายที่โฟกัสไปเหลือจุดเล็กๆเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าเพ่งมันแคบรอบๆตัวมันมืดหมด มันสว่างอยู่จุดเดียวที่เขาเรียกว่าเพ่งแต่ถ้าหากว่าชัดหมายถึงว่าเอาตัวโฟกสัสมันออกมันจะสว่างทั่วอันนี้คือต่างกัน ร, ระหว่างว่าชัดกับเพ่งนะครับเพ่งมันก็จะหนักชัดมันก็จะเบาถ้าทําไปแล้วมันชัดหมายความว่ามันเบาสบายก็เป็นสปายะสัมปชัญญะการที่เราใกล้กับใจตามรู้ซึ่งกันและกันเสมอเ oh รือเบโคจรสัมปชัญญะ แล้วว่าอันไหนมันพลาดไปผิดไปตั้งใจทบทวนเสืซ้อใหม่เป็นอสัมมุหะสัมปชัญญะเราก็จะวันนั้นสัมปชัญญะต้องทำอยู่ตลอดเวลามันจะมากหรือน้อยมันจะชัดหรือไม่ชัดก็อยู่ที่เราคอยปรับนะครับอันนั้นเองลองทำดูนะโดยเฉพาะความต่อเนื่องของความชัดเจน ถ้ามันมีการล้าการเหนื่อยการขี้เกียจขึ้นมาก็าแสดงว่าเราเผลอบังคับไปแล้วก็ต้องมาผ่อนคลายนะทําแบบผ่อนคลายถ้ายิ่งทําไปมันขี้เกียจมันเบือ่อมันเซ็งก็แสดงว่าเราทําด้วยความตั้งใจเกินไปมันเลยล้ามันทําแบบสบายปรับไสายปรับคอปรับหน้าปรับหลังให้ผ่อนคลายให้ชัดได้อคาว่าชัดนั้นไม่จะเป็นต้องกดกิ้งเพ่งจ้อง คำว่าชัดนี่มาทำทให้มันสบายแต่รู้สึกตัวชัดนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะนี่ช่งเช้านี่ผมตั้งใจจะนำเสนอเรื่อง อ, อ, อาณาปณะสติอีกทีนึงครับเพราะว่าเราสวดทุกวันเนี่ยในสติประฐานสูตรแต่ว่าถ้าเราไม่ทำความเข้าใจมันให้ชัดเจน <c oughs> สิ่งที่เราสวดก็กลายเป็นเรื่องนกแ ก, นก่นกุ้ทองไป แต่ถ้าเราเข้าใจมันชัดเจนบอกได้ใช่เป็นเห็นชัดจัดถูกนั่นมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นในอาณาปณาสาาติเนี่ยทำไมถึงถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอาจารย์กรรมฐานท่านก็บอกว่ามันมีตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรใหม่อ่ะอันนี้เหตุผลของเขานะ แล้วก็ในคัมภีร์บอกว่าผู้ทีเจ้าก่อนตัู้ก็ตามหลังตัู้ก็ตามได้อธรรมอานาปนสติเป็นเป็นปกติตรงนี้ผมว่าตำรามันเขียนผิดนะไม่เขียนทีหลังนะนะเพราะว่าคนที่เขียนก็ไม่ได้เป็นร่วมยุคกับผู้ทีเจ้าจะไ่รู้ได้ไงผู้ทีเจ้าก่อนตัศู้หลังตัรู้แล้วแต่ว่าฝ่ายไหนอาจารย์ไหนชอบอันไหนก็เอานั้นมาโปรโมทแต่เอาผู้ทีเจ้ามาเป็นคนตรัสคนพูดเส้นหน่อยก็ดูเหมือนว่า มีน้ำหนักนะครับเพราะนั่นเราต้องเข้าใจผู้เขียนตำราด้วยถึงแม้จะเป็นพระไตรปิดกก็ตามนะไม่ใช่ว่าจะาเชื่อได้เสมอไปแต่เรามาดูทั้งความเป็นจริงเนี่ยที่ผมกล่าวเมื่อคืนนะระหว่างลมหายใจกับท่านลมเนี่ยมันต่างกันไหมท่านลมเนี่ยมันตั้งแต่หัวอยู่เท้ามันทำงานได้ตลอดเวลาเคลื่อนไหวจุดไหนนั่นเป็นทานลมหมดแต่ลมหายใจก็เป็นท่านลมมาหนึ่งจุดหนึ่งเท่านั้น แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ใช้อิบุตรย่อยและใช้ธาตุาสีด้วยซึ่งอนาปณ ะ, ะสติบอกว่าใช้แค่สิบหกอย่างมันค้านกันนะครับเพราะนั้นเรื่องแต่อิบทตรสีอิบท ย, อยท่อยธาตุสีอาการ32อสุภะ6เป็นเรื่องของธาตุลมเท่าๆ น, นั้นเลยแปดสิเอร์เซ็น่ะ แล้วทำไมเราไปนเน้นแค่ของยี่สิบปอร์เซ็นต์ผมว่ามันไม่มันใช้ไม่ได้จนถ้าเรามาพบหลวงพ่อเทียนนะ่ะได้ฉีตดตําราตรงนั้นน่ะเรีว่าได้ฉีกตาราของอานาปนาสติไปเลยนะหลวงพ่อเทียนทัดกล้าหาันมากแล้วนําเอายอบุตรสียบุตรย่อยหัดสีอสัจฉริยะอะไรต่างมาใช้ในแง่ของวิปัสสนาพะในตัวอานาปนาสติเองนะั้นมันจะไปติดสมถะพออะไรพอนไปนอารมณ์ที่ละเอียดสติมันน้อย แต่กําลังของสมาธิมันมันเยอะมันก็ทําให้หลงสมาธิก็ไปไม่รอดนะครับแต่ว่าคนชอบเพราะอะไรเพราะมันติดสงบติดนิสติดชานติดเดชติดพลังมันก็ทําให้คนชอบในด้านนั้นมันเข้าไปติดสมาถัานหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในประเทศไทยของเราไปติดเรื่องนี้หมดอาจารย์กรรมฐานคนไหนมาก็มาโปรโมทในเรื่องอานาปนสติในรูปแบบต่างๆหนองบางพุทโธบ้า ง, างนับลมหายใจบ้าง อ่าก็ามาประมุดกันผลก็เลยไปติดแต่เรื่องสงบพอเรื่องสงบนานๆก็เป็นเครื่องลังของคขังศักดิ์สิทธิ์วิญญาณด้อองหนุนรู้นั้นรู้นี้ไปนอกเนื้อนอกตัวเนี่ยมันเป็นสมถะแบบพราบไปหมดเพรา ะ, ะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราไปที่ไหนมันถึงยุคที่เจริญแล้วมันยังถามหาเรื่องเครื่องลังของคขังาถามหาคาถาขคมถามหาอย่างนี้มันไม่เป็นวิปัสนาเลยอะ่ะ วิปัสนาะจะไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้วิปัสนาต้องเป็นสนใจในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องสภาวะธรรมที่มันเป็นจริงไม่สนใจในเรื่องเอาความสําคัญในเรื่องรูปทั้งหลายแล้วให้ความสําคัญแก่รูปวัตถุถ้าพระองค์ไหนไม่มีวัตถุมงคลติดตัวถือว่าไม่ใช่พระเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเวลารถผ่านตำรวจมาอ้าวหลวพ่อขอคองดีหน่อยอท <c oughs> ําอยู่แทบพุ่ง <c oughs> อักเจอไม่ไหวแท้พุ่งที่เลย ขอของดีเนี่ยคุณจะเอาจริงอะเอาเอาอะไรขอพระคุณจะเอาพระจริงหรือพระปลอมเอาพระจริงเขาอันนี้องค์นี้จะเอาไหมเนี่ยรับใช้คุณได้ด้วยนะอะคุณจะให้ทําอะไรมันกเกลือหลาอะไรที่นี่หลวงพ่อไม่มีพระปลอมที่คุณต้องการเลยหลวงพ่อมีพระจริงคุณจะเอาหรือไม่เอาอนี่เขาเพราะเราก็ต้องไม่ไม่แก้เกมอย่าง น, นี้ไม่จบนะครับเพราะนั้นเองวามันเป็นไปทั่วหมดเก้าเก้าสิบเอร์เซ็นต เพื่อศาสนาแบบสมร t มันถึงเกิดปัญหาก็ไม่จบนะเะพราะนั้นเหตุสาเหตุนหนึ่งที่ทั้งประเทศชาติมันถึงใช้อำนาจบังคับกันก็เพราะว่าไปจากพระของเราไปสร้างกำลังอำนาจอยู่กับสมถะ h มันก็ทำให้คนเป็นนักเลงนี่ครับเป็นคนมีทิฐิมนณะเพราะว่าอำนาจของลิชานเดชปฏิหารพวกนี้มนทำให้เกิดทิฐิมณะอาตาโตนน่ะเพื่อจะเอาตาโตนไปสู้กัน ใครมีรีเดทบริหารมากกว่าคนก็ขึ้นพราะคนขึ้นก็มีพลังอํานาจในการต่อรองทางสังคมแล้วเกิดปัญหาก็ไม่จบนะครับก็เป็นอยู่ยางเงี้ยพรรคฝ่ายบ้านเมืองมันก็ไม่ยอมมันเอาอํานาจของวัตถุที่จริงมากกว่ามันเอาอำนาจปืนที่พระเรามีอํานาจบริหารมีสู้ไม่ได้เลยนี่มันก็ปัญหาอย่อยางเงี้ยปฏิวัติกันแล้วปฏิวัติกันอีกก็แย่งวัตถุกันแหะแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างทํำวิปัสนาอย่างที่เราทํา ไม่มีการขัดแย้งกับใครนะครับเพราะว่าเราไม่ให้ความสําคัญในเรื่องวัตถุอลมหายใจที่เป็นดุนเป็นท่อนเป็นก้อนเป็นแท่งที่หายใจเข้าออกเนี่ยมันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งมันเป็นเป็นวัตถุเป็นรูปอันหนึ่งก็รูปของลมหายใจแต่เป็นเป็นรูปละเอียดเท่านั้นเองแต่ตัวรู้สึกที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่รูปนะฮะมันเป็นนามมันเป็นปรมาติแต่อาศัยรูปไปที่เกิดเท่านั้นเองหลายคนถามว่า การยกมือเนี่ยมันดีกว่าลมหายใจดีกว่าพูดโทยงไงดีกว่าน้อยอยงไงผมก็บอกว่ามันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วหรอกเวลาคุณกินข้าวเนี่ยคุณใช้อะไรบ้างใช้ช้อนใช่ไหมใช้จานใช่ไหมถ้าไม่ใช้ช้อนใช้จานได้ไหมคุณก็หันไปใช้กระดาษใช้ใบตองแล้วนั้นไม่สะดวกกว่ากันนะจับไปกดออกที่ฟท ใครไว้ตั้งเวลาให้ผมเลย <c oughs> กดไอตัวแดงก่เพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องเครื่องมือนะพวกหนอพวกปู่โทรซ้ำเวลหาหังเคลื่อนไหวมันเป็นช้อนเป็นซ่อมเป็นไม้แต่เกียบหรือเป็นแก้วน้ำเนี่ยเราจะดื่มเราจะดื่มน้ําเนี่ยเราจะดื่มน้ําเนี่ยถ้าไม่มีแก้วมันดื่มไม่ได้นะครับจะจับน้ํามาไม่ได้เป็นเราเอียดกดตรงสวิตต์อ่ะแล้วก็ แก้วนีือ็เป็นเพียงเครื่องมือถ้าคุณไม่มีแก้วไม่มีเครื่องมือคุณจะกินน้ำลำบากถ้าคุณเอามือไปวักไปตักเอามือก็ยิ่งยากเพราะนั้นวิธีการเป็นเพียงเครื่องมือวิธีการไม่ใช่สมถะหรืวิปัสนาแต่ไอตัวที่เกิดจากวิธีการนะเราใช้ช้อนใช้จานเราไม่ได้กินช้อนกินจานนะเหมือนกันเราใช้มือใช้ลมหายใจเราไม่ได้เอามือลมหายใจเป็นวิปัสนาหรือสมถะนะมันเป็นเพียงเครื่องมือให้เกิดความรู้สึกเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรากินข้าวแต่ต้องใช้ช้อนให้จานเรากินน้ำแต่ต้องใช้แก้วเหมือนกันเราใช้เทคนิคต่างๆแต่เราไม่ได้เอาตัวนั้นไม่ได้เอาตัวเคลื่อนไหวไม่ได้เอาตัวยกมือไม่ได้เอาตัวยุบหนอพองหนอ่อหูโทแต่เอาตัวความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งที่เราทำนั่นคือข้าวคืออาหารที่เราจะต้องบริโภคนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ยังไม่เข้าใจอะไรลึกซึ้งเนี่ยไม่มีคนเมื่อมีคนมาถามว่าเออท่านทำนี้มันดีกว่านี้ยังไงอ่ะล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วกับไอตัววิธีการแบกโยมแต่ทำไงให้มันเกิดความรู้สึกตัวที่ชัดเจนได้แต่ละเวลาก็นั่นแหละต้องการนั้นนั้นแหละคุณจะหยิบข้าวกินทีละเม็ดคุณก็อิ่เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องใช้วเวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง แต่คุณเข้าใช้ช้อนนะคุณใช้เวลาแค่สินาทีคุณก็อิ่มแล้วแล้วคุณจะใช้อะไรอ่ะเขาต้องตอบกลับแบบนี้นะครับจะมัวบางทีอธิบายเห็นผลชักแม่น้ําพังห้ามันมันไม่มันไม่เข้าใจถ้าคุณไม่ต้องใช้ช้อนใช้จานก็ได้คุณหยิบข้าวกินทีลเมตกินน้ำพิเรยุทธ์อ่ะคุณว่าคุณอิ่มไหมก็อิ่มแต่คุณใช้เวลาเท่าไหร่กว่าคุณจะอิ่มเออแล้วคุณมากําหนดลมหายใจเข้าออกทีนิดนิดนิดแต่กิเลทของคุณออกมาเป็นพวกเขาเรลากาอ่ะ ไอ้ตัวกำลังของสติที่เกิดจากลมหายใจทีนี้มันจะเอาไหวหรือเปล่าละ่ะก็ย้อนกันไปแบบนี้แหละครับมันก็ต้องจนด้วยเหตุผลนะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของลมหายใจนะครับมันแบ่งออกเป็นเท่าไหร่สิบหกในสิบหกเนี่ยความจริงผมดูแล้วเนี่ยถ้าจะใช้กับมาฐานทีมันมีแค่ ส, ะ ส, ะสะี่สโซ ส, ะสะตัวสตติสตวปัสสติมีสติขณะหายใจเข้าขณะหายใจออก นะสู้อสัตติอสัสสะหายใจเข้าปสาาัสสสะหายใจออกแล้วอีกสองอันต่อมาบอกว่าทีครางว่าอัสัสสันโตทีครังอสัสสะมิติปัจจัยนิติเมื่อหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ชัดๆว่าหายใจเข้ายาวนะทีครางว่าอัสสสันโตทีครั้งปัสสส า, ามิติเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ชัดๆว่าหายใจออกยาวอันนี้ชุดหนึ่งนะี ชุดต่อมาบอกเราสร้างว่าอาศัสสั้นตัวราสรงอาศสอาศรสรมีติปิชายดีเมื่อหายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้ชัดๆว่าหายใจออกสั้นแค่เนี้ยอันดาปนสติที่ที่มันเป็นตัวบทผมว่ามันมีแค่นี้แต่เขาไปขยายเชอะอีกเท่าไหร่สิบสองใช่ไหมไอ้สิบสองนั้นมีอะไรบ้างตั้งแต่สภกายปฏิสั่งเวทีอาศิสร์มีติสิเขติอันนี้ขยายแล้วครับ เราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจเข้าสาภาวะกายะาฏิสั้างเวทีปัสสัสซามิติสิคาติเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงแล้วไปรู้กายทั้งปวงนี่คือตัวอะไรตัวสมัมชัญญาใช่ไหมครับพอมีสัมัญญารู้รู้กรู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องไปรู้ลมก็ได้ เพราะอะไรความรู้ตัวมันใหญ่กว่าลมเยอะแยะใช่ไหมเออเออถ้าตีความหมายวิ่งก็คือตัวสภากายะับปฎิสังคดีคือสัมปชัญญะนั่นเองเห็น ไ, ไหมชุดออมาปัจสัมพยังกายยังสร้างพลังอสิสามิติสิคตเิเราจะทําเป็นกายะสังขารให้สงบระงับอยู่เราจะหายใจเข้าเราจะทํากายสังขารให้สงบระงับอู่จะหายใจออกปัจสัมพยงังนั่นหมายความว่ามันมีทุกเวทนาแล้วก็เคลื่อนเอาตัว ไม่สบายออกไปเนี่ยมันก็เป็นสัมปชัญะอยู่แล้วเพราะนั้นตั้งแต่หลังนั้นสิบสองทั้งหมดเป็นตัวอิริบทตสี่และสัมปชัญญะเปดีย่อยทั้งหมดรมหายใจที่จริงๆมันมีอยู่แค่สี่ในอนาปนสติสิบหกนะครับผมก็มาวิเคราะห์ดูว่าโอ้ตัวสี่ตัวแรกเนี่ยมันเป็นกายานุปัสนา แล้วก็สี่ตัวต่อมาเ ต, ต, ต, ต pper, ิ่มต้นสัพยากรเป็นเวทนานุปัสสนาอีกสีตัวต่อมาเรื่องจิตเป็นจิตตานุปัสสนาอีกสีตัวต่อมาเป็นเรื่องอารมณ์เป็นธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นก็สี่สี่สิบหกมันก็แยกตามสติปัฏฐานสี่เท่านั้นเองนะอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่เขียนขึ้นทีหลังนะครับพระพุทธเจ้าท่านคงไม่ได้แยกไว้แบบนั้นหรอกแต่พระ พุทธโคสาจาย์ชั้นหลังเป็นพระสาวศีรษะการเนี่ยม า, มาแก้ไขมาท่านใช้ก็ว่าทัศนคถ า, าจารย์นะครับมาปรับปรุงมาแก้ไขมาเพิ่มเติมตามสูตรของท่านแต่ว่าไม่ใช่ผู้ดิจ้าท่านตัดเอาไว้เฉพาะแค่แค่เรื่องลมหายใจเข้าออกสั้นยาวแค่นั้นแหละหลักของมันนะแต่ที่ท่านก็มาเพิ่มเติมเป็นแยกออกมาเป็นเวทนาสี่จิตสี่อย่างแล้วก็อารมณ์สี่อย่างกายสีอย่างเขาเ้าไปสิบหก เรืออนาปนาสิสติสิบหกขั้นซึ่งท่านหลายสวดแล้วก็ต้องต้งตงฝึกจำเอาไว้ว่างเพราะทีผ่านสูตรทั้งสูตรนี่สวดกันทุกวันผมจําได้เกือบหมดนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเราไม่ต้องท่องอ่ะแต่ว่าบางคนสวดทั้งปีทั้งชาติทํำไมไม่จำเพราะมันสวดที่หนึ่งแต่ใจไปอยู่ที่หนึ่งมันก็เลยไม่จําเวลาเราสวดในใจมันลอยไปเรื่อยใช่ไหมแต่เพราะ มันได้เพราะมันคล่องปากมันเคยไม่จำนะแต่ถ้ า, ถาได้ด้วยตั้งใจส่วนจริงจำได้หมดครับพวกนี้ไม่เหลื อ, อเพราะว่าสัญญาณมันทาหน้าที่ของมันเองอเพราะฉะนั้นในอ า, อานอาปานาปานสิตสติสิบหกขั้นมันก็คือสติฐานสี่เอามาแยกอย่างละสี่ตัวเท่านั้นเองนะทีนี้เราก็แยกไปตามนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ผมเคยปฏิบัติกับหลวงพ่อพุทธธาตุเนี่ยเวลาผมติดอารมณ์อะไรท่านก็บอกให้ไปดูอนัปปนาสติสิบหกเออมันก็หมดอารมณ์ที่จะไปดูแล้วครับเพราะว่าในขณะนั้นเราไม่ได้ติดอารมณ์เราตอไปถามท่านตอนที่เราติดอารมณ์เราก็คิดว่าจะถามท่านอแต่พอไปหาท่านจริงๆอารมณ์ที่ติดมันก็หายไปแล้วไอ้สิ่งที่จะแก้มันก็ไม่ใช่อารมณ์ที่เราติดแล้วแต่ต่างกับหลวงพ่อเทียนก็เวลาผมติดอารมณ์ไปหาท่านพั๊บท่านแก้ขณะนั้นเลยไม่ต้องโยนไปที่อื่น่แค่หายก็โอเค เราไปต่อนะครับนั้นการติดอารมณ์เหมือนก็เราขับรถเราไปติดหลมบ้างรถเสียบ้างหรือรถเกิดไปอุบัติเหตุบ้างอันนั้นคือเรียกว่าติดอารมณ์ะสมมุติเราจะรถที่จะวิ่งไปเชียงรายเนี่ยรถไปเสียแค่เชียงคำํำหรือรถไปยางแตกอยู่ที่ <c oughs> จุนอย่างเนี้ยนะมันก็ไม่ถึงละมือนก็เราเดินไปเนี่ยนิวรณ์ตัวไหนมันเกิดหมายความนันเกิดอุปสรรคแล้วแล้วก็แก้ เดินไปซักพักมันง่วงอเกิดอุบัติเหตุแล้วะเดินไปซักพักมันเบือ่ อ, อเกิดตกหลุมตกหลอลงไปแล้วเกิดเดินไปซักพักมันฟุงซ่านอ้าวจราจรติดละวรถไปไม่ได้อะไรทั้งนี้นะี่นะเพราะฉะนั้นนิวรณ์ก็เหมือนกับอุบสรรศในระหว่างทางที่เราเดินทางเท่านั้นเองคนไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเวลาเกิดรถเสียมันก็แก้ไขได้ หรือคนไหนไม่ตั้งใจที่จะขับรถให้ดีไปผิดกฎจราจรไปชนเพื่อนหรือเพื่อนมาชนเอาเอา้าเกิดอุบัติเหตุแล้วนะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางทั้งวันเนี่ยเหมือนกับเราวิ่งวิ่งรถอะในตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็ต้องทำในใจนะ้วันนี้ดูว่าไออุบัติเหตุอะไรัมนจะมาก่อนปัญหาอะไรจะมาก่อนนะสักพักเดินไปไม่ถึงชั่วโมงมาละเบื่ออ่า แก้ไขเงี้ต้องจัดการเบือ่อให้จบก่อนไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นอ่าได้พอผ่านไปเอาชั่วโมงที่สองสักพักง่วงอา่าง่วงมันมาได้ไงเ <c oughs> นื่องจากการเดินทางของเราไม่แยบคายไม่ระมัดระวังนะครับความจริงมันก็เพียงแต่ว่าเราเผลอเสพความสบายในขณะที่แก้ไขปัญหาตกสักพักมันก็เปลี่ยนเป็นง่วงแล้วก็คือไปเสกความสบายเอาเดินไปสักพักหนึ่งชักอ่ามึนหงิด เพื่อนข้างๆมาคุยกันหรือเกิดแมงมาไต่มาตอมพึ่งมาตอมมุงงนีกระพึงแล้วอ้าวมีอบัติเหตุแล้วที่นี่ก็ต้องแก้ตัวนั้นอีกนะครับเอาพอปฏิบัติไปสัก พ, พั ก, พกนึงเกิดให้ไปถึงตัวนี้มันแยกยังใช่หรือเปล่าเนี่ยไปถึงสามแยกเกิดความรังเลแล้วอ่าเอ๊ ะ, เ, อะเรามาปฏิบัติตัวนี้แล้วจิตมันว่างเราจะทําไงต่อเนี่ยหรือมาถึงตัวนี้เอจิตมัน มันรู้แล้วรู้นี้ขึ้นมาเอ๊ะมันอ้าวเกิดข้อสงสัยตรงนี้เหมือนไปถึงทางสามแพ่งครับเอ๊ะจะตัดสินใจไปทางนี้ดีหรือทางนี้ดีตรงนี้ล่ะคือแล้ยว่าติดอารมณ์นะครับทั้งนั้นคว่าติดอารมณ์หมายถึงว่าอุบัติเหตุหรืออุบัติศักดเกิดขึ้นในระหว่างที่เราปฏิบัติคนไหนขยันแก้และแก้ได้ถูกคนนั้นก็ปฏิบัติได้เร็วเหมือนว่าคนไหนแก้ปัญหาได้เร็วในขณะรถติดมันก็ไปถึงก่อนเพื่อน คนไหนปฏิบัติไปแล้วไปติดอารมณ์อะไรหนึ่งแก้ไม่ตกแช่อยู่ตรงนั้นแล้ไม่แก้เลยรถก็แช่อยู่ตร ง, งนั้นนะครับไปไม่ถึงเชียงรายสักทีนึงอันนี้คือตัวอาภาคปฏิบัตินะครับอนนตัวปัญหาโวยษันั้นเกิดขึ้นนั้นดีแล้วทําให้เราเกิดปัญญานะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของกฎของใจรักมันจะต้องทํางานมันตลอดเวลาปัญหาเมื่อค้นผุดเกิดตลอดเวลาแต่เราคุณผู้ปฏิบัติเนี่นยะ <c oughs> เราต้อง آ, สร้าง ตัวรู้สึกสติสัมยาเพื่อให้เกิดปัญญามาแก้ไขปัญหาพอเราแก้ไปัญหาได้เร็วเนี่ยมันก็ปัญหาหยาบหยาบต่อไปก็เป็นปัญหากลางกลางต่อไปเปปัญหาแบบละเอียดเพราะกิเลสมันมีสามกลุ่มใช่ไหมกิเลสในกลุ่มหยาบกิเลสในกลุ่มกลางกิเลสในกลุ่มละเอียดท่าก็บอกว่าเป็นหลักๆ <c oughs> ว่าศีลเป็นเครื่องกิเลสบัตรกิเลสอย่างหยาบ สมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำบับจัดกิเลสอย่างละเอียดท่านก็ว่าไว้เป็นหลักๆแต่พอไปปฏิบัติจริงเราก็ไม่รู้ไอ้ตัวไหนมันหยาบมันกลางมันละเอียดมันมั่วหมดแล้วมันก็จะต้องแยบคายแล้วทีเนี้อ๋อไอ้ตัวนิวรนเน่ะเป็นกิเลสหยาบใช่ไหมอันราคะโทสะโมหะเนี่เป็นกิเลสขันหยาบมันมาเป็นรูปเป็นก้อนเป็นแท่งทําให้เกิดอาการทางกายทางจิตได้ชัดเจนเนี่ยกิเลสอย่างหยาบ กิเลสอย่างกลางก็คือตัวตัณหามานะทิฏฐิอ่าไอ้ดีมันละเอียดขึ้นไปอีกอตัวราคะพัฒนาเป็นตัณหาตัวโทสะเป็นพัฒนาเป็นมานาะตัวโมหะพัฒนาเป็นทิฏฐิกิเลสอย่างกลางคือตัณหามานะทิฏฐิทีนี้มันพ้นนิวรณ์พ้นกิเลสอย่างใหญ่ไปแล้วไปติดที่ตัณหา อยากนุ่นอยากนี่อยากจะได้ปฏิบัติให้มันก้าวหน้าอยากจะเทศเป็นอยากจะทํางานนุ่นทํางานนี่ตัณหามาแล้วมันเป็นตัณหาในฝ่ายดีนี่กิเลสขั้นเลยขั้นกลางนะครับมานะก็ในฝ่ายดีมานะอยากจะทําอย่างงุ่นดักจะทําอย่างนี้ขึ้นมามีความพยายามเพียรพยายามเสียอารมณ์ก็ช่างมันขอให้ทําได้เกิดมานะสู้งานขึ้นมายอมก่อสร้างเท่าไหร่ก็ยอมเสียเวลา สมรมฐานเะาไว้ทีหลังทําก็ได้พยายามหาอัดท า, า, า, าเงินพยายามเลียร์ไล่พยายามสอนคนนั้นพยายามอยากให้คนนั้นได้อย่างนี้อยากให้คนนั้นดีอย่างนั้นอันนี้เป็นมานะขึ้นมาแล้วเป็นอุปสรรคอีกละเอียดอีกและเอยียดอีทิฏฐิก็เราเข้าใจอย่างนี้ใครมาพูดที่มันคุณปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวมไม่ใช่นะต้องมาทํานี้เกิดทิฏฐิทุ่มเถียงขึ้นมาว่าของเราดีของเขาไม่ดี ของเราถูกคนเขาผิดอะไรทำนองนี้เป็นทิฏฐิแล้วที่นี่พอไประดับกลางมันจะมาต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้นะครับเออือท่านทําไม่ถูกฉันทําถูกฉันท่านสงบฉันสงบท่านไม่สงบอ่าฉันทําได้ดีกว่าท่านทําไม่ดีฉันทําถูกกว่ามันก็จะกลายเป็นมรณะทิฏฐิขึ้นมาอันนี้กิเลสระดับกลางซึ่งท่านบอกว่าต้องแก้ไขด้วยสมาธิผมแก้ไขไม่ได้ในสมาธินนะ เว้นแต่เป็นสมาธิสมาธิก็คือตัวปัญญามาแก้ไขถ้ากิเลสขั้นละเอียดก็จะเป็นตัวอาสะวะนะครับความเคยชินเราก็าสู้กันตอลอดเวลาเนี่ยความเคยชินพร่ออยากความเคยชินพ่อเผลอความเคยชินพ่อเพลินความเคยชินเพราะลืมเพ่อหลงตัวเนี้ยผมอุึงว่าอ๋อการแก้ปัญหาเนี่ยไปแก้ขั้นละเอียดเลยอยากมันก็ถูกแก้ไปเองถ้าแก้แต่ขั้นอยากไปเนี่ยเป็น คนใหม่แก้ขัน้นหยาบๆไปคนระดับกลางก็แก้กลางๆคนระดับสูงขึ้นไปก็ไปแก้ที่ละเอียดนะครับก็แล้วแต่ภูมิของแต่ละคนที่จะไปแก้ได้ตัวหลังมาผมก็มาเน้นอ่ะคุณไปแก้ที่ความเพลิงกับความเฉลยเลยอถ้าแก้ที่ความเพลิคนเพลินจบคุณไม่ต้องไปเสียเวลาไปแก้ตัวหยาบ ก, กับตัวกลางเพราะตัวหยาบตัวกลางก็พัฒนามาจากตัวละเอียดเหมือนคุณจะตัดต้นไม้เนี่ยอ มันไม่มีเลื่อยไม่มีขวานใหญ่ๆต้นมันใหญ่คุณก็มีแต่มีดแต่ทำไงคุณก็ขุดรากไปตัดรากเล็กๆๆไปเรื่อยๆพอตัดหมดแล้วต้นมันก็ล้มเองครับเพราะเราไม่มีขวานไม่มีเลื่อยใหญ่ๆที่ไปตัดต้นมันแล้วก็มีเมีดเล็กๆ ก, ก, ก็ไ้ตัดรากมันพอตัดรากปอยรากนี่เสร็จมันก็ลม้มนะฉันใดก็ดีไอราคาโทสะมหาก็ดีนี่วอนก็ดีมันมาจาก กิเลสขั้นละยดคือความเผลอและความเพลินเราก็ไปเฝ้าระวังตัวเผลอและตัวเพลินให้ชัดๆตัวเพลินมันมาแบบไหนะตัวเผลอมันมาแบบไหนตัวลืมมันมาแบบไหนค่อยเฝ้าดูมันพอลงมือปฏิบัติปั๊บตั้งใจดูไอ้สามตัวนี้เลยว่าไอ้หน้าไหนมันจะมาก่อนระวังเผลอระวังเพลินเราก็บอดูไอ้ความเพลินมาได้ไงเราก็บอกเออเพลินเนี่ยมาจากความที่เราไปเสพสบาย อันไหนรู้สึกสบายอินอร่อยความเพลินมันก็มาจากหกทางนะครับทางตาก็มีดูอะไรเพลินเพลินดูนกดูหนูดูนั่นดูนี่ไปก็เพลินเสียงเหมือนกันฟังเสียงนั่นเสียงนี่ฟังเสียงคุยกันอยากจะใหะ้ฟังคนนั้นอยากจะฟังคนนี้พูดอ่เพลินไปเหมือนกันกินรสเวลาไปทานอาหารก็เพลินกินอร่อยลืมกําหนด สัมผัสเพลินในความสบายหลับแล้วนอนแล้วไม่อยากตื่นนะหรือว่าอยากได้สัมผัสอุ่นๆหรือเวลาอากาศร้อนไปหาอากาศที่เย็นอากาศที่เย็นก็หาอากาศที่อุ่นก็เพลินในสัมผัสอีกนะครับแล้วเพลินในอารมณ์ก็คื อ, อคิดโน้นคิดนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นเพลินมาได้ถึงหกทางอ่ะที่เราทางที่เราแก้อยู่มันแก้ทางเดียว แต่ละอย่างมันตัวระเพรินแต่ละอย่างบางอย่างก็มาสองอย่างพร้อมกันบางอย่างก็มาสามอย่างบางอย่างก็มาอย่างเดียวบางอย่างก็มาสี่อย่างพร้อมกันทีนี้มันก็เลยเยอะสำหรับเราดูวุ่นวายไม่สงบเราก็มาดูที่ใจเลยทีเดียวเพราะความเพลินทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมาจากใจตัวเดียวประชาการที่ใจมันทาถ้าจะชอบในรูปเสียงกิริสัมพัสตัดที่ความชอบนี่เลย มันก็ตัดความเพลินได้ที่ใจนะครับถ้าอยาไปตัดทีละอย่างละอย่างไม่ไม่ทันมันมันไวแต่ตัวที่รับรู้ความเพลินทั้งห้าทางใครเป็นผู้รับรู้ก็ใจเราสติไปจัด ก, การจดจ่อดูอาการของจิตว่าเวลามันแต่รับความเพลินจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแนละ้วมันดิ่นไหมมันแสบสายไหมมันอยากไหมมันกระหายไหมดูอาการของจิตมันดิ่นแบบไหน ไปจับอยู่ตรงนั้นเลยนะทีนี้สติที่จะไปจับอยู่ตรงนั้นได้มันจะต้องมีกําลังที่เป็นปัญญาถ้าสติสัมยะอย่างเดียวไม่พอที่จะทันมันได้นะเพราะความไวมันต้องเกิดจากปัญญาก็คือความมันจะไวได้ก็ต้องซ้อมบ่อยๆอย่างที่ผมว่าเนี่ยจับไปทุกทุกอาก า, อาการของการเคลื่อนไหวเลยนักแม่นปืนนี่นะกว่ามันจะแม่นมันจับวางเนี่ยมันเสียกระสุนไปเป็นแสนแสนลูกนะ มันต้องการที่จะโปะเดียวแม่นไม่จับวางเนี่ยนกมวยมันต้องการนอกยกเดียวเนี่ยมันซ้อมมันรู้กี่พันกี่ร้อยยกอะครับเหมือนกันเราต้องการปัญญาที่จะไปกําหนดจิตโปะเดียวความคิดหลุดดับพุบเนี่ยมันจะต้องซักซ้อมในความรู้สึกตัวกับกายกับการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่รู้กี่แสงกี่ล้านครั้งน่ยมันถึงจะกําหนดรู้แล้วหายปุ๊บเนี่ยถ้ากําหนดรู้ยังคิดเฉยอยู่แสดงไม่ทันหมดแล้วครับ มันเราจะยิงนกอะ่ะยิงโป้องอะ่ะมันบินไปเฉยเลยไม่ทันมันนะไม่แม่นด้วยไม่ทันด้วยเพราะนั้นตัวสติที่เราฝึกเนี่ยเพื่อให้เสริมกําลังของปัญญาให้ไวและให้แม่นเท่านั้นเองนะสติสัมยาชนี่นะไม่ใช่ตัวหลักนะตัวหลักต้องการให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาตัวนี้เพื่อไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดกับใจพอเรารู้ว่ามาเคลียร์กับกายเวทนาจิตไม่ทันต้องไปเคลียร์ที่ตัวอารมณ์ทีเดียว อะไรจะไปทันนะก็ตัววิปาาัสนาญาณคือตัวรู้ที่ไวที่สุดนั่นแหละเราเรียกว่าวิปาาัสนาญาณวัยและเร็วและทันนะง่ายๆถ้าพูดถึงเรื่องวิปาาัสนาญาณเป็นเรื่องของวิชาการเรื่องของเทคนิคเราจะเข้าใจยากแต่เรื่องของภาคปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นที่ใจป้อปคุณตามรู้ก็สลัดหรือก็กําหนดหรือตามรู้ให้มันเลี่ยงเลยนะไม่ให้มันเหลืออยู่ตรงนั้นได้ยังไงนั่นคือวิปาาัสนาญาณ นะเดี๋ยวนี้คนติดอันอย่างหนึ่งก็ติดกระดาษที่ชู่้นี่ครับว่าจะไปจับอะไรเปื้อนปับ๊บขอกระดาษหน่อยกินข้าวขันไม่ได้เลยทีนี่เหมือนกันจิตของเราเนี่ยถ้าจะขยับไปคิดอะไรสักอย่างนึงนะมันจะต้องทําความสะอาดมันทันทีเหมือนเราต้องการที่ชู่หรือผ้าเช็ดมือเข้าห้องน้ําไม่มีกระดาษที่ชู่เดี๋ววุ่นวายแล้วเดี๋ยวนี้ใช้น้า เหมือนกันอนะ่ะอุปกรณ์เพื่อทําความสะอาดนะี่คือตัวปัญญานะครับคือตัวปัญญาแต่ตัวปัญญานี่มันจะทํางานก็โดยอาศัยความไหวของสติเหมือนกับตัวปัญญานี่เหมือนกับลูกปืนนะครับแต่ตัวสติมันไกลปืนโดยสมาธิเหมือนกันเล็งการตั้งใจที่จะยิงนะความไวความหนักความเร็วทั้งสามอย่างต้องสัมพันธ์กันทั้งสติสมาธิปัญญาทํางานกันอเพราะนั้นระหว่างไกลปืน เล็งปืนแล้วก็ลูก ป, ปืนเนี่ยเราบอกว่าอันไหนสําคัญกว่าอันไหนนี่ไม่ได้ต้องสัมพันธ์กันหมดนะ <_ d ata> คุณลั่นไกลเร็วก็จริงแต่คุณไม่เล็งไง <_ d ata> คุณเล็งก็จริงแต่ว่าคุณลั่นไกช้าล่ะอ่าไม่แม่นน่ะเพ <_ d ata> ราะนั้นสติทําหน้าที่เป็นไกปืนสมาธิทําหน้าที่เป็นอแม่ปืนที่เล็งได้เป้าได้ศูนย์เดี๋ยวที่เขามีตั้งศูนย์ด้วยนะครับผมเห็นอยู่ยใช่ไหมการยิงเนี่ยตั้งศูนย์ เพราะเลย น, ะนางวิทยาศาสตร์มันเก่งแต่ของเราไม่พัฒนาขนาดนั้นนะถ้าเราสามารถตั้งศูนย์จิตยิงกิเลสได้เป้าทุกทีนะอันนั้นเรียกวิปัสสน า, าสญาณขั้นสูงแลยครับวิปัสสน า, าสจะตั้งศูนย์ยิงเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นเลยยิงล่วงทุกทีอไปไม่รอดทุกทีต้องทําได้ขนาดนั้นอันนี้ความคิดเกิดขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันยังคิดเฉยอยู่นะสติไปไหนไม่รู้มันก็ไปไหนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้อง ทำเขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะเราจะทำเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าปัญหาว่าลุมเล้าเข้ามารอบด้านนะทุกวันนะเ mm. มื่อไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะเขี่ยเอาพุทธศาสนาออกประเทศอ่าแล้วก็ปัญหาด้านการเมืองก็ลุมเล้าที่จะจัดการกับพระสงฆ์ก็เจ้าเราเนะี่ยมันประมาทไม่ได้นะครับปัญหาว่าทุกอย่างที่จะมาบล็อกพอวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอ ทหารมาล้อมวัดจะว่าไงจะนั่งเจริญสติอยู่เฉยได้ไหมไม่ได้เลยเดือดร้อนเลยครับแค่ทำการโดนลูกเดียวล้วก็เดือดร้อนกับทั้งประเทศแล้วถ้าโดนในหลายวัดอย่างขนาดไหนแล้วก็คลอกสายวุ่นวายแล้วไม่เป็นอันธทำแล้วครับเพราะฉะนั้นภัยรอบด้านนะจะประมาทไม่ได้ครับขณะที่ยังไม่มีภัยมาถึงตัวน้อ ง, ต, องต้องรีบทำทําให้มันถูกต้องทํำตลอดเวลานะครับในการก้าวการย่างการใดต่างไม่จําเป็นไม่พูดไม่คุยกันนะครับต่างคนต่าง สัมรวมระหวังตัวเองในการไปไม่มีภาระจำเป็นไปรบกวนคนอื่นกน็ถือว่าทำให้คนอื่นเสียโอกาสมันคือจะทำให้เราไม่พัฒนาได้นนั้นก็ขอให้รักษานะรักษาวิธีการการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปใช้ให้มากที่สุดครับจะลุกจะนั่งจะยั่งจะเดินไม่มีตลอดเวลาทีเดียวนะเข้าห้องน้ำทานข้าวอ่า พวกนี้เป็นศีลหมดแล้วนะคือจัดการระเบียบทางกายเป็นศีลหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงศีล 7, สองร้ยเจ็ดศีลสามร้อ แ, แค่ศีลนี่คือรักษากายวาจาให้สงบนี่มันก็เหลือเฟือแล้วะให้รู้สึกกายรู้สึกวาจาให้สงบแล้วก็เจริญวิปัสนาทำจะเจริญสมาธิทำจิตให้สงบแล้วเจริญวิปัสนาเนี่ยใช้จิตที่สงบให้เกิดประโยชน์เรเป็นวิปัสนาครับ นั้นเองในวันนี้ลองเอาไปตอกย้ำดูในเรื่องของสัมปชัญญะประกอบกับการจับความรู้สึกที่ถี่ขึ้นนะครับเพราะการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นนอนไปถึงหลับเนี่ยมันนับไม่้วนนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นไม่รู้กี่ล้านขณนะเราจะจับมันไม่ได้เลยสักครึ่งสักค่อนหนึ่งนะสักเจ็ดสิเปอร์เซมันไม่เจ็ดสิเอร์เซ็นก็ต้องพยายามละทีนี้ยเออ เราเดินนี้ไปหาเต็นเนี่ยรู้มันทุกกล้าหรือเปล่าเออสมัยก่อนผมถึงกับย้อนสอนเลยนะครับเดินนี้ไปปุ๊บเพิ่งรู้ตัวว่าเดินไปเรื่อ้าวม่อี้เดินมารู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ผมกลับมาตั้งต้นใหม่ดัดสันดานตัวเองเอาขนาดนั้นเลยนะครับเพิ่มเมืม่อวหยกปับ๊บรู้สึกตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้อา่าคุณกะคุณเอาไปวางใหม่ก็จับใหม่ก็แล้วกันต้องต้องเล่นงานกนขนาดนั้นเลยในกิเลสมันมันมันด้านขนาดนั้นนะต้องว่ากันยาวๆนะต้องย้อนสอนมาน่ะ พอเจอบ่อยเข้าบวอเข้ามันชักเข็ดครับมันกลัวที่จะต้องได้กลับไปอีกอเพราะฉะนั้นอย่ากลัวต่อการที่จะทําทซ้ำซากอย่ากลัวที่จะดัดสันดานตัวเองนะครับพอมันแข็งมันมึนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการอันนี้เหมือนเราพ่อแม่แล้วฝึกลูกอะ่ะหรือครูฝึกานักเรียนนะครับทําไม่ได้ถ้ามีเลขข้อเดียวทํามไม่ถูกถทำอีกเอาจนถูกกันแหละนะมันผิดแล้วผิดเรา ร้อยครั้งปัญโหน่พยังผิดอีกก็แสดงว่าไปไม่ไหวแล้วมันหมดศรัทธาและหมดปัญญาแล้วนะมันไม่เกินสามครั้งแล้วก็แก้ไขตัวเองไม่เกินสามครั้งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งไว้ว่าน้าโมก็ให้เจอสามจบพูดทางธรรมังสังคังก็ให้มันได้สามจบถ้าแก้ซึงสามครั้งมแสดงว่ามันมันทำไม่ถูกหลักละหลักนั้นไม่ใช่คําสอนของพุทธองค์ท่านประกันว่าคำสอนของท่านจะแก้ยี่ไม่เกินสามครั้งถูกต้อง ถ้าแก้เกินกว่านั้นยังไม่ถูกอีกแสดงว่ามันมีอะไรผิดพลาดต้องมาสํารวจนะครับ น, นั้นเป้าหมายของเราก็คือทําลักษณะอย่างนี้แล้วก็วันนี้ผมขอไปตรวจสมุดของท่านแล้วก็ได้ส่งคืนตอนตอนเย็นแล้วท่านก็เอาภาวะที่ท่านไปทดสอบพิสูจน์วัเนี้ยไปบันทึกในวันต่อไปมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะครับันั้นก็เลยว่า ถ้าเราให้ความร่วมมือกันเราตั้งใจจริงๆงานนี้ไม่พลาดเลยครับอย่างน้อยที่สุดเราได้สัมผัสความรู้สึกตัวที่อย่างน้อยเจ็ดสิบเปเซนขึ้นไปมันก็จะเป็นปรมัตัยได้ละห้าสิบห้าสิบนี่จะเป็นสมถะอยู่ <c oughs> เพราะมันมีเผลอ <c oughs> ถ้าอันไหนมันขาดบกตกุตรบุญพ่อไปซ่อมใหม่ครับหมายความว่าอ่าอันไหนที่มันถูอมันเผลอไปแล้วลืมแล้วตั้งใจซ่อมใหม่กลับไปทําใหม่เหมือนกับสอบตกอะ ก็กลับไปซ่อมใหม่นะครับมันตกตัวไหนก็ซ่อมตัวนั้นไปเรื่อยๆโอ้มิคีเพอพูดไปแล้วกับเพื่อนตั้งนานวันนี้ดัดสันดานตัวเองไม่พูดกับใครเลยอ่ะอะไรอย่างนั้นนะวันนี้หายใจไม่ต้องกี่ครั้งในวันหนึ่งเนี่ยผมนับขนาด น, นั้นเลยนะว่าหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลากีว่วิอ่าปกติหนึ่งนาทีเนี่ยหายใจกี่ครั้งปกติอ๋อสิบสองครั้งนั่นแสดงว่า หายใจเข้าออครั้งหนึ่งมันห้าวิสิบสองห้าหกสิบอ่าแสดงว่าหนึ่งนาทีหกสิบวินาทีมันหายใจปกติได้ถึงสิบสองครั้งเออเราจะหายใจสั้นยาวหายใจให้ลึกยยาวกว่านี้มันก็นาทีมันก็เหลือแค่หกครั้งอ่าเออถ้าหายใจสั้นกว่านี้นาทีแทนที่จะได้สิบสองมันกลายนาทีมันเป็นสิบแปดก็มีนะครับบางครั้งผมทดสอบเพิ้งขนาดนั้นเลยนะ งั้นมันไม่สามารถแก้ไขสันดานของตัวเองได้ความเคยชินเนี่ยเป็นสันดานที่ละเอียดเพรา ะ, ะนั้นการทดสอบจัดการกับมันเราก็ยังทำอย่างละเอียดเหมือนกันนะ <c oughs> เราทำวิจัยแบบด้งวิทยาศาสตร์นะนั่นในช่วงวันนี้ขอให้ไปทำเรื่องสัมชัญญะบวกกับการ สมมุตยะที่ละเอียดขึ้นนะในการที่เราจะก้าวแต่ละครั้งอันไหนที่มันพลาดมันเผลอไปถ้าส่อมใหม่ได้ก็ส่อมใหม่ย้อนสอนกลับมาทําใหม่นะครับแล้วกิริยาอาการที่ทําด้วยความพลั้งเผลอและเพลินจะต้องต้องถูกเพ่งเลงและจัดการอย่าง <c oughs> อย่างแระมัดระวังทีเดียวนะครับไม่ให้มันนานเกินไปเดินทําท่าจะเพลินคิดแล้วเปลี่ยนนั่งทําท่าจะอึดอัดแล้วเปลี่ยนนะครับ มันมีวิธีที่ต้องเปลี่ยนเยอะแยะมากมายแล้วแต่เราจะนึกออกว่าจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะเดินตรงนี้มันเพลินมันสบายเกินไปเอาไปเดินตรงนั้นหน่อยนะขอให้มันรู้สึกตัวเท่านั้นอนะ่ะจะทําแบบไหนก็ได้นะแล้วเราค่อยเก็บเกี่ยวเอานะตัวรู้สึกตัวที่แต่ละจังหวะแต่ละจังหวะไปเราจะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้อวัยวนี้ก็ขออนุโมทนาที่เราจะนําไปพิสูจน์ศึกษา ให้เกิดความเข้าใจด้วยตนเองเพื่อเราจะได้ลดเวลาทุกขเวลาคิดเวลาลำบากให้น้อยลงนะครับก็ขออนุโมทนากลับราพร้อมกัน